ครูบาอาจารย์ที่เที่เคารพนับถือก็อไปว่องลยไปเรื่อยๆ เ, เรายังจะมาอยู่ด้วยความประมาทนั้นสมควรกับทำเลยความประมาทเป็นเรื่องเหมาะสมกับเรื่องของี่เลสซึ่งท้ายจัดโลกจมอยู่ใ น, นวัฏฏะสงสารมามากเท่าไหร่ก็เพราะความประมาททั้งนั้นการปฏิบัติหาความจริงจังไม่ได้ ทำไม่ใช่ของปลอมกับหาความจริงจังไม่ได้งั่นมันจะเข้ากันได้ยังไงทําเป็นของจริงการปฏิบัติต้องจริงสิจริงทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าธรรมเป็นความชอบธรรมแล้วจริงทุกอย่างการละก็จริงกันบําเพ็ญอัยการละการถอนก็จริงน่นไม่จริงไม่ได้ ดูมือเพื่อนของผมอินนาละอาใจก็โดยลําดับลําดับนะนั้นเองก็บวกลบคูณหารอยู่ตอลอดเวลาเกี่ยวกับหูเพื่อนที่มาอาศัยเราทุ่มเทลงเต็มความสามารถทุกแน่ทุกมลในการบรวมสั่งสอนไม่เคยปิดดังลีล้ลถึงคราเปิดเปิดเต็มที่เปิดหมดหวัวอกเปิดหมดตับหมดปอดให้หมูอเพื่อนได้ฟังให้มันถึงเหตุถึงผลถึงความจริงซึ่งมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคน มันจะมาลอลาะแหลแหละมันใช่ได้ที่ไหนเห็นอย่างยะถาสัพีเท่านั้นก็ไม่ถูกนี่แสดงเห็นความหลอดแหละความเหลวไหลของเจ้าของมากเพียงไรไม่สนใจเห็นว่าไม่สำคัญก็คือตัวเองไม่สำคัญนั่นเองจึงเห็นสิ่งใดที่เป็นสาระเหล่านั้นไม่สาคัญมันขึ้นอยู่ที่ไหนไม่ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองยะถาสัพพีบทธรรมต่างๆเหล่านั้น เป็นอาจเป็นธรรมใครจะนำมาเป็นประโยคก็ได้ไม่นำมาทำเหล่านั้นก็ไม่มีสูญหายอะไรไม่เสียหายอะไรมันเสียหา ย, ยที่บุคคลมันมันดีอยู่ที่ค น, นไม่ดีอยู่ที่คนีการพูดไม่ถูกต้องตามหลักของธรรมหรือาการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักของธรรมเขาวิ น, นัยจะเป็นความเสียหายจะทธรรมแก่วินัยได้อย่งไร ก็ต้องมาเป็นความเสียหายแต่ตัวผู้ปฏิบัติตามธรรมนั้นสิไม่ถูกทำต้องเป็นความเสียหายสาหรับเราเองมีเด็กเทศทุกแง่ทุกมุมให้รู้เรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องพวพันอันจะยังตนให้ตกต่ำลงไปมันอยู่เสมอมันมีอยู่ตลอดเวลาตัวเองไม่ทราบเนี่ยสาคัญไม่ทราบว่ามันมันเป็นสิ่งกดทวงภาษา ธรรมะท่านี้บอกมันเป็นกีิเลสเราไม่รู้ไม่ทันมันจริ น, นั่งัวที่เขาต่อยกันเขาต่อยถูกที่สําคัญที่จุดไหนก็ตามก็คือพูดต่อสู้นั้นไม่ทันมันเองรู้ไม่ทันรับไม่ทันจึงต้องเสียท่านี่เรารู้คนมายาของกิเลสไม่ทันมันแล้วจะไม่เสียท่ามันได้อย่างไง ยืนเดินนั่งนอนมีแต่อาการของความเสียท่าให้กิเลสทั้งนั้นมีท่าไหนที่ถ้าเดิต่อสู้กิเลสอยู่นั้นมเีเล็กนิดเดียวมีน้อยนิดเดียวแล้วจะไปหวังเอาชาชนะจังความน้อยนิดเดียวนั้นได้อย่างไรมันพูดไปพูดไปคนเรื่องกิเลสมันก็ต้องเสกขึ้นมาอีกเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลส เว่าท่านดุดาว่ากาวชี้ช่ำใช้ชอะไรไปอย่างนั้นที่เลศไม่ชอบเรื่องอย่างนี้เพราะเป็นเรื่องกระเทือนทิ่เลศที่เรศจะชอบอยังไงแต่เป็นเรื่องที่ถูกทำเมื่อเราไม่รู้กฎมายาของกิ่เรศมันก็ต้องคิดอย่างนั้นนี่เรารู้ไหมเรอ ง, อ ง, งนี้อุบายวิธีแก้ที่เรศก็สอนนั่นนี่หนักเบาขนาดไหนเป็นอุบายของการแก้กิ่เรศทั้งนั้นและไม่ได้หาเรื่อ ง, องความเสียหาย คิดหายผลปี้ไม่ดีไม่งามอะไรมาส่องสอนมุเกเรื่องจะหนักเบามากน้อยเพียงไรมีเป็นรเรื่องของอุบายของการถากถางอิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อตัวนทั้งนั้น น, นะอิเลสที่มันเป็นข้าศึกต่อทำมันก็แทรกเข้ามาขวางทำเข้ามาก็ขวางตัวเองนั่นแหละไม่ให้เข้าถึงทำได้นี่ผลสุดท้ายก็จมไปตามมาันไม่รู้ตัวเลยนี่ว่าไงหยู่ตามลำพังมันก็ไม่ได้เรือง ครูบาอาจารย์แนะนำสสอนแทนที่จะยึดจะถือว่าไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่ตัวเองในฐานะที่ควรจะได้ซึ่งไม่สุขิสัยมันก็ไม่ได้นั้นเราจะเอาความหยิบความดีจากอะไรมันก็เลี้ยวไหลไปอย่างนั้นก็เคยบอกเสมอว่าบวชนั่นนะ่ะเราน้ำบวชี่เลสไม่ได้บวชกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันอยู่เสมอแม้ในขณะที่บวชมันก็ยังต้องเป็นข้าศึกมันไม่เคยมาเป็นมิตรกับเราเลยี่เหตุจะไหน หลังจากการบวชไปแล้วมันจะไม่เป็นฆาสึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่แก้สิ่งที่เป็นฆาสึกแล้วจะแก้อะไรเวลาหนี้สิ่งที่เป็นคุณแล้วไม่ได้เป็นฆาสึกต่อเราจึ่งเรียกว่าคุณสิ่งใดที่เป็นฆาสึกสิ่งนั้นไม่ใช่คุณต้องเป็นพิษเป็นภัยต่อเรามากน้อยตามสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละนั่นพิจารณาเลยผู้ปฏิบัตินี่ก็ลดลงลดลงกําลังบางชา้าจิตใจมันถอยเข้ามาถอยเข้ามาโดยลำดับธรรมานไม่อยากรับภาระทุลังอะไรเลย ด, ดยูโดยลำพังเจ้าของให้ม่าเป็นความสะดวกยิ่งกว่าการเกี่ยวข้องกับผู้คนมากน้อยพ่านเนนแค่ไหนก็ตามมันเป็นเรื่องที่อยู่ครับความลำบากนะเพราะกำลังมันลดลงทุกทีทุกทีอะไรมาสัมผัสสัมพันเล็กน้อยมันทุกได้ง่ายวิการได้ง่ายทุกทุกด้านกายนั่นแหละไม่ใช่อะไรมันก็รู้ได้ง่ายสิ ันวันหนึ่งวันหนึ่งังอยู่ตามลำพังสะดวกสะดวกไม่ ย, ยุ่งกับอะไรความยุ่งอะไรหนัผเพื่อนจะมาฟังการอบรมก็ให้กินให้ช่งางเขาปฏิบัติสติเป็นของสำคัญเคยพูดเสมอนี่เว้นไม่ได้ขาดไม่ได้สติเป็นพื้นแห่งความเพียรจริงๆจากนั้นกับปัญญาตามกันมาข้างนอกข้างในจะทำอะไรควรพินิจพิจารณา ความเคยพิจารณาอยู่เสมอเป็นนิสัยที่จะสั่งสมตัวขึ้นให้มีความแก่กล้าทางด้านปัญญาเวลาเราำมาใช้พิจารณาทางด้านธรรมะโดยตรงเห็นพิจารณาเรื่องวิปัสสนาเนี่มันก็ไปได้คล่องตัวไปได้รวดเร็วกว่าที่จะจับมาฝึกเอาทีเดียวให้เป็นทีเดียวกิจการงานใดก็ตามสติให้มีความจดจ่อต่อเนื่องกันเสมอกับงานนั้นๆนะพิจารณาทางด้าน ในงานนั้นก็ต้องมีความไข้ควรพริจารณาไปตามด้วยเวลาเข้ามาพิจารณาภายในมันก็ง่ายสัตติ์ก็อยู่กับตัวอยู่แล้วเคยฝึกกันอยู่แล้วก็ไม่ยากปรญญาก็เคยพิจารณาอยู่แล้วนันก็คล้องตัวไปอือะไรก็ไม่ได้เรื่องแต่จะหวังจะตักตวงมรรคผลนี่ผ่านหวังเฉยเฉยไม่เกิดประโยชน์ถ้าประโยชน์พยายามไม่สืบเนื่องกันในความชอบธรรมที่ควรเก็ ทำเจริญของอิดมันก็เจริญไม่ได้ขอให้พากันเข้าใจงานของพระเรานี่คืองานภาวนางานต่อสู้กับยิ่งเรศเป็นงานอันเยี่ยมเป็นงานที่ถูกตั้งเหมาะสมอย่างยิ่งมันมีงานอื่นใดที่จะยิ่งกว่า ง, งานพิถาภาวนานเลยสาหรับพระงานอื่นก็ทำไปพท่นั้นพอได้อาศัย ยาด <as concrete> <barbecue> ้เด่นด้านด้านเพ่นเพ่นพันพนการประกอบความเพี่ยนให้ออกจีนออกจังเราไม่เห็นความดิเด่นด้านๆเพ่นเพ่นพันพันไปตามกระแสของกิเลสฟัดไปเหวี่ยงไปซัดไปถูไถไปว่าเป็นสิ่งประเสริฐเลิ่เลยอะไรเลยมีแต่ความสลดของเมธเท่านั้นเมื่อมองไปเห็นอากาศกีญญาอย่างนั้นจะอยู่กับรายใดก็ตามมันเป็นนักต่อสู้อยู่เสมอทุกข้ออรก็ทุกสิทุกเพื่อสู้กิเลส มันเป็นความเสียหายล้มจมที่ตรงไหนการนอนจมดยูกับพิเลนนอนใจอยู่กับพิเลนมันเป็นของดีเมื่อไหร่โลกนี้เคยจมกันอยู่อย่างนั้นแล้วมันมีอะไรเป็นของแปลกของอศัศจรรในโลกนี้พิจารณาให้เห็นตามหลักธรรมนี่เลยอะไรอยู่ประเสริฐในโลกนี้ยิ่งกว่าธรรมอ่ะให้มันฝังให้ทำเลยปรากฏขึ้นในใจตดูทีปรากฏขึ้นมากน้อยจะเห็น ความเด่นขึ้นเด่นขึ้ น, นโดยลำดับของกิตใจของธรรมซึ่งสัมผัสสัมพันธ์เล็กเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่เสมอนี่แหละที่ท่านปล่อยเมื่อธรรมโผล่ขึ้นมากน้อยเพียงไหลธรรมนี่เหนืออะไรที่ควรจะปล่อยนั้นได้ก็ต้องปล่อยนั้นโดยลําดับเพราะธรรมเป็นของประเสริฐโดยลําดับไปแล้วเพียงขั้นใดปรากฏขึ้นมานี้คนจะควรเหนือกับโปรกรมิตรอันใดมันก็ปล่อยของมันไปโดยลําดับ ขาคันละเอียดก็ปล่อยละเอียดก็ไปโดยลำหนักลำหนาจนกระทั่งไม่มีเหลือเพราะเวถึงปล่อยเพราะอันนี้ดีกว่าสิ่งอันั้นจะยอมถือสิ่ง น, นั้นมาแข่งสิ่งของวิเสศษได้อย่างไงเพราเหมือนกองมุดกองพูดนามาแข่งทองคําทั้งแท่งมันควนกันได้เหรือเนี่ยใครๆก็รู้คุณค่าของทองคำทงแท่งกับมูดพูดกองหนึ่งนั้น่ะมันเป็น ไ, ไงเวลามันเทียบมันเข้าเทียบอย่างนั้น มันปล่อยมันเองรู้เองอันใดที่ดีในี่คั่วกันเหนือกันเหนือกันมันก็ปล่อยไปทางเหนือไปทางเหนือนั้งนั้นเลยมันไม่ลงทางต่ำเลยอะไรมีคุณค่าเหนือกันอันนี้มันมีแต่กิเลสเหนือจิดเหนือใจเหนืออรรถธรรมทำผูขึ้นมาได้เราจะเห็นอะไรเป็นของประเสริฐเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์พอจะนำมาแข่งกิเลสมันก็ไม่มีอะไรจะแข่งเลยมีแต่กิเลสเหยียบย่าทำลาย อธรรมอยู่ภายในใจซึ่งควรจะเกิดขึ้นได้จากผู้ปฏิบัติแต่มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะความนอนใจความตายใจความเอาสุขเป็นสุขก่อนหามนั่งอยู่เฉยๆสบายนอนอยู่เฉยๆสบายไม่ต้องกดขีบ่บังคับไม่ต้องทรมานฝึกฝนตนมันเป็นความสะดวกสบายนั่นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลก็เห ย, ยียบย่ำตลอดเวลาแล้วหาของวิเศษวิสูรอะไรที่จะมาเป็นคู่แข่งอธรรมโอคู่แข่งกิเลสหลักมันก็ไม่มีนี่หละเรื่องมันไม่ปรากฏในใจเป็นอย่างนี้ เราจะไปคิดจะไปคาดในเรื่องมรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีให้ดูที่สัจธรรมมีอยู่ภายในใจของเรานี่แหละตัวยืนทํายืนยันมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้นี่แหละเป็นเครื่องยืนยันมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้อยู่ในถ้ำกลางแห่งสัจธรรมนี้ทุกสมุทัยเป็นเครื่องผูกมัดเป็นฝ่ายท้าศึกนิโรธมรรคเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายถอฝ่ายถอนฝ่ายดับทุกนิจเลิญมรรค คือความภาพเพียรสติปัญดาเป็นน้าขัญขึ้นาพานใจของตนนี่เป็นการบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังหุ้มหอทั้งหลายภายในใจิตใจคือสมุ ท, ทยัยให้จานลงไปโดยลําดับลำดั บ, ำดบคำว่านิโรธคือความดับทุกข์ไม่ต้องบอกเมื่อกิเลสดับไปมากน้อยความดับทุกข์นันก็เป็นไปตามนั่นแหละเป็นจิญญาณเท่านั้นทำสองอย่างเป็นเครื่องจิจกันมาผลนิพพานไม่ใช่ดินฟ้าอากาศ การสถานที่เวลาเวลาที่ไหนที่จะมากิดขวางมะกุฏนิพพา น, นสมัยนุ่นสมัยนี้สมัยไหนถ้ามาเป็นข้าศึกต่อมา่ามผลนิพพานไม่มีนอกจากกิเลสเท่า น, นั้นเป็นข้าศึกต่อว่าผลนิพพานกิเลสคืออะไรคือสมุ ท, ทยัยนันท่ราคาหาคาตาตตะตลายพินานินีส่วนใหญ่ก็คือวกาก้สเสอเยี่ยที่ดังคืออะไร่าการมาตัญหาเพราะวตัญหามีภว่ตวัญหาความอยากความดิ้นดนไม่มีเวลาหยุด ยั่งเลยนี่ไม่หาความอิ่มพอไม่ได้ก็กี่เหล็ตปัญหานี่จะให้มันมากเท่าไหรมันก็ไม่พอเนี่ยตัวผิดปิดกั้นมะขุนิพพานอยู่ในหัวใจของเรานี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกยังเกิดขึ้นอยู่เสมอพรอะหน้าของสมุทยเป็นผู้ผิดขึ้นมามากคือข้อปฏิบัติเป็นเครื่องทําลายทสมไทยผิดขึ้นมาแก้กันเนี่ยทำฝ่ายแก้มีอยู่สองคือมากตบนิโรธมีเท่านี้อย่าไปหาจะไปฆ่าตระหมาที่อื่นที่ใดอย่าไปหาตะกรุบเงา เงามันอยู <Flow. S 2> ่กับตัวมันอยู่กับเราจะแท้ไปหาตะคูบเงาทําไหมของจริงอยู่กับเราเงานั้นของจริงเมืไรมันเป็นของเทียมเทียมขึ้นมากับตัวของเราเองจี่เรียกว่าเงาเมื่อผลนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นแหละเงาตัวจริงอยู่ที่นี่จิเลศเวลานี้เป็นยังไงสมัยไหนจิเลศมันไปอยู่กับสมัยนู่นสมัยที่ที่ไหนเราเคยเห็นไหมไปอยู่กับต้นไม้ภูเขาอยู่กับเินฟ้าอากาศที่ไหนหรือดินน้ําลงไฟที่ไหนไม่เห็นมีมันอยู่ที่หัวใจ มันมีการมีสมัยไหมี่เด็สข้อหัวใจของสารโลกไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่จะแก้กิเดลสจะไปหาการสถานที่ที่ไหนบําเพ็ญธรรมอันจึงจะทันกิเด็ดมันมีอยู่ที่ตรงไหนก็ฟาดลงที่ตรงนั้นเลยสติปัญญาศรัทธาความเพี่ยนทุกข์ก็ยอมรับวัตทุกข์ก็เราทางานทําไมจะว่าวัตุทุกข์หรือเข้าสู่สงครามต่อสู้กับกิเด็ดทําไมจะไม่พูดก็ายอมยอมรับสิถ้าจะเชื่อทำผู้ริจ้าก็ต้องยอมรับพระพเจ้าเคยทุกข์มาแล้ว ไม่ใช่ครูล่างมือควายเปิดแล้วมาสอนพวกเราให้รับเป็นของใหเป็นกองทุกอย่างนี้ดี๋ยวความตะเกียบ ต, ตะการเพราะความเพียรลําบากลาบนพระวิญญาณในล่างมือเปิดสาวพวกต่าัยล่างมือเปิดมีที่ไหนองไหนถจะสลบทลายก็มีมีมากมายีดยวฉพาความทุกข์ความลําบากในการประ่อความควาเเพียนจึงได้เป็นผู้วิเศษขึ้นมาทั้งนวิเศษขึ้นมาด้วยทางแถวนี้หนุนหนักก็สู้ชื่อว่าเป็นนักรบแล้วไม่ถอย นี่ทางของศาสดาทางภาษาโบกที่เป็นชณะของพวกเราท่านดำเนินอย่างนี้เราจะเดินทางไหนท่านเคยสําเร็จผลในทางไหนท่านก็นําทางนั้นมาสอนเราเพราะทางอื่นไม่มีใครจะฉลาดยิ่งกว่าผู้ที่เจ้าภาษาวกท่านที่นํำทำมาสั่งสอนโลกทางฉลาดแหลมผมขนานไหนแล้วเลือกเฟ้นหมดแล้วว่าทางใดไม่เหมาะนอกจากทางคือมัตถิมาปฏิบัติานี่เท่านันเป็นทางที่เหมาะสมกับการแก้ปิเดตจึงได้กระทานธรรมหล่บนี้ไว้ ปกติทั้งหลายเรียกคือปฏิบัติแต่มักผลนิ้พานมีอยู่ที่ไหนทำมาอยู่ที่หัวใจแจ้งที่มันมืดมัวอุตการอยู่ที่ตรงไหนความมืดมัวอุตการ์นั้นแรเป็นสิ่งที่ไปิบังความสว่างกระจ่างแจ้งแห่งความจริงคือธรรมทั้งหลายซึ่งอยู่ภานในจิตใจดวงเดียวกันเมาเปิดออกมากน้อยก็บสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเปิดออกเต็มที่มันมีกิเลสตัวใดเหลืออยู่เลยความมืดก็ไม่มีเลยนั้วจะถามหาความสว่างภายในใจที่ไหนที่นี้อาโลโกุตปาดีอันว่ะในธรรมจักกับุราสุ ระวางโลอทั้งกลางวันกลางคืนได้แก่อะไรก็ได้แก่เรโซทัมโมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันนั่นแหล ะ, ะท่านไม่มีหรอกคำม่ามืดว่าสว่างเหมือนเมื่อวันปีเดือนนี่ไม่มีจิตดรงนั้นตะลงในสว่างแล้วสว่างไม่มีกิเลสตัวใดก็ไปครอบได้เลยอยู่ที่ใจอย่าไป้าดไปหมายสิ่งที่ปกคลุมหุ้มหอ่อ ทั้งภายนอกภายในก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วดูเสียงกลิ่นเครื่องสัมผัสแต่และอย่างละอย่างเป็นสิ่งที่จะยึดตะถือได้เพราะอํานาจของกิเลสภายสําคัญมันหมายให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธ็นสิ่งนั้นเกลียดก็ติดได้โกรธก็ติดได้รักก็ติดได้ชังก็ติดได้เพราะเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันมันติดกันได้ง่ายๆเนี่ความไม่เกลีย ด, ไ ม, ยดไม่โกรธไม่รั ก, ไ ม, รกไม่ชังนี่คือทางเราจะพิจารณาให้ถึงแก่นแห่งความจริงคือไม่รัก ไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธเพราะสราบตามความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยมันเป็นของลําบากนี่แหละทำแท้เป็นอย่างนี้แต่ความรักความชังความเกลียดความโกรธเป็นของปลอมทั้งนั้นจึงแทรกอยู่ภายในจิตไม่ใชรกเป็นเรื่องแท้มันจึงทําจัดโลกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะความรักก็มีเพราะความชังก็มีความเกลียดความโกรธก็มีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพิริกานหนึ่งก็เป็นหนึ่งพิริกันหนึ่งก็เป็นหนึ่งร้อยสันทันในของกิเลสเป็มไปหมดไม่มีอะไรจะแหลมกลมยิ่งกว่าก ้าใม้ใช้สติปัญญาให้แหลมคมกว่ามันไม่มีทางแก้มันได้ต้องฟัดมันลงอีกนอกจากความปกปิดกำบังภายนอกที่ยึดให้ถืองมงแบบงมงายแบบแล้วมันก็นยังมีในขันมีรูปคือร่างกายนี้เวทานาสัญญาสังขานิญญยานความสุขความทุกข์เฉยมีอยู่ทั้งทา ง, งร่างกายและจิตใจจนกระั่งถึงวิญญาณสิ่งเหล่า น, นี้เป็นเครื่องปกปิดกำบังความ ความจริงทำของจริงได้ทั้งนั้นเพราะกิเลสถือเป็นเครื่องมือทั้งหมดและสิ่งเหล่า น, นี้เป็นนิบาส ข, ของกิเลสที่เกิดขึ้นมาจากหน้ า, า ข, ของกิเลสนิบาสของกิเลสก็คือร่างกายนี้อือสัญญาตังขาวิญญาณก็เป็นเครื่องมือของกิเลสตัวกิเลสผักดันออกมาให้สําคัญมั่นหมา ย, ยาต่างๆมันเป็นเครื่องปกปิดทําบังมั่วปุนิพานได้ทั้งนั้นเพราะท่านจึงต้องเปิดให้รู้ให้เห็นความจริงแล้วปล่อยกันไปโดยลําดแบบับรูปมีอะไรบ้างในรูปนี้นะเปิดเข้าไปด้ย ความป่าชา้าผีดิดทั้งคนทั้งคนทั้งคนทั้งหญิงทั้งชายนิ่นาเห็นตามจริงแล้วมันก็เปิดทั้งมันเองปล่อยทั้งมันเองเมื่อปล่อยลงไปมันก็ชัดแจ้งลงไปเรื่อยๆแล้วจะไปติดตรงไหนมันพิจารณารอบควาคิดหมดแล้วมันก็เปิดเผยเต็มที่เป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองถามหาที่ไหนที่มีมรรคผลนิพพาน เพรากเราอยู่วัดป่าบรรดาเราไปถามวัดป่าบรรดาที่ไหนอีกผููอยากมา ว, าวาา่าป่าบรรดาเมื่อมาถึงวัดต่าบรรดาแล้วอยากไปที่ไหนอีกวัดป่าบรรดาอยู่ไหนงั้นอยากไปวัดป่าบรรดาที่ไหนอีกนั้นก็หมดความอยากนั่นเองอยากความอยากของธรรมก็อยากเพื่ออิ่มพอนั่นเองไม่ได้เหมือนความอยากของกิเลสความอยากของกิเลสหาความอิ่มพอไม่ได้ความอยากของธรรมนี่มีความอิ่มพอได้พอถึงที่แล้วก็หาอยากหาอยากเป็นลำํำดับบลำดาไป ถึงจุดไหนก็หาอยากจุดนั่นถึงจุดไหนหาอยากจุดนั่นถึงที่สุดบิดมุดหลุดพ้นแล้วหาอยากโดยประการทั้งปวงแม่นิพานก็ไม่อยากอยากไปหาอะไรนิพานคืออะไรต้องรู้เองเนีะเราพูดไปพูดไปมันอดไม่ได้นะจะทําไงเขาพูดไม่นหนังเล่นไปตามเรื่องเขาพูดแบบประกาศเตือนเตือน ทรงกิดเอาข้างนอกรู th right Now, magic, law, ้ภายในถ้าทรงเอางนอกก็เอาทรงไปเทียบเคียงในเหตุในผลในอธรรมเพราะเป็นธรรมทั้งข้างนอกข้างในถ้าจิตผู้พิจารณานี้เป็นธรรมเป็นได้ทั้งข้างนอกข้างในเช่นเดียวกับสมุทัยมีได้ทั้งภายนอกภายในคิดให้เป็นกิเลสเป็นได้ทั้งนั้นข้างนอกก็เป็นได้ข้างในก็เป็นได้คิดให้เป็นธรรมข้างนอกก็เป็นธรรมข้างในก็เป็นธรรมเพราะนั้นผู้มีสติปัญญาจริงได้ประโยชน์ไปโดยลำดับหนาโดยประโยชน์ตลอด ไม่ว่าจะพิจารณาข้างนอกหรือว่าจะพิจารณาข้างในเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่พิจารณาไปยี่เหลงมันก็เป็นยี่เหลวจนหมดไม่เป็นธรรมให้อยู่ด้วยกันก็นานเป็นยังไงภาวนามันถึงไม่ได้เรื่องได้เราสอนก็สอ น, สอนถูกจุดที่หมายทุกแง่ทุกทมุมอยู่แล้วทำไมผู้ปฏิบัติอืนถึงไม่เป็นไป ความแสดงมันไม่ได้เป็นไปตามที่สอนนจริงเป็นไปตามที่สอนมันจะไปไหนพ้นว่ะเพราะว่าเนีต้นเราเกาหมัดมาสอนนี่ไม่ได้อวดนะผู้ตามคนจริงนี่เลยในเรื่องการสอนแสดงหาครูอาจารย์ที่ถูกต้องแม่นยำในการให้วาสอสอนจึงเป็นสิ่งจําเป็นมากทีเดียวสำหรับผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติทั้งหลายจําปราศจากครูอาจารย์ไม่ได้ เราย อ, อมรับร้อยเปอร์เซนตน์ความอยากอยากเท่าไรก็อยากแต่ว่าดำเนินไม่ถูกมันก็ไม่ได้ผลนะ่ะตรงนี้ผู้แนะนำอุบายวิธีสับวิธีต่างๆในการปฏิบัติบังนรื่องไเข้าใจแล้วจริงจังต่อสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนำมาปฏิบัติตัวจริงๆผลจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน นี่ว่าถ้ามันจริงจังมันตากดเนะี่ยสมาธิมันจะไปไหนโพูนหวะความพุ่งซ่านเพราะอะไรพายพุ่งซ่านก็รู้อยู่แล้วว่ากิเลสภายพุง่งซ่านมันพุ่งซ่านที่ตรงไหนตั้งหน้าต่งตางๆเข้าตรงนั้นเข้าจุดนั้นบังคับตันที่จุดนั้นเหมือนจะเอาเป็นก็เป็นตาก็ตายฝ้าจะลงนั้นสติปัญญาถ้าถ้าจะใช้ปัญญาก็ใช้ลงที่นั้นถ้าจะใช้ญญะติจอบบังคับกันไม่ให้มันคิดมันจะไปไหนไว่าจิตนี่อ้าสมมุติว่าบริกรรมทาง ไม่ถี่อย่างเช่นเราบริกรรมทําบุตรดายผู้เริ่มพึ่งขาดบางต้นเราบริการห่างๆไม่ถี่มันแทรกได้ความคิดปรุงแต่งออกมาได้ขยับเข้าไปความตั้งใจมีอยู่ขยับเข้าจนถี่ยิบถี่ยิบขนาดไหนก็มีความตั้งใจอยู่นั้นให้รู้เหตุรู้ผลของมันมันจะเป็นยังไงจิตนี่มันรู้ทําไมไม่รู้นี่เคยทําแล้วนี่ อาจจะมาพูดเฉยๆสงบจนได้นั่นเนี่ยก็ได้คติหนึ่งขึ้นมาอีกนอกจากรับประโยชน์ในขณะนั้นแล้วยังเป็นคติเรื่องสอนตนต่อไปอในวาระต่อไปทำอะไรถ้าไม่ถึงเหตุถึงผลถึงคิดถึงขิงมันมันก็ไม่ทราบเหตุทราบผลได้ชัดเจนประจักษ์กับตัวเลยนั่นก็รอๆะหลเรียวๆหละไหอยู่นั้นวันนี้ก็อย่างนี้วันหน้าก็อย่างนั้นวันไหนวันนั้น เมื่อกับแย่ ง, ยง น, นันนะเราเพราะเราไม่ไม่จริงในจังอะไรกับสิ่งที่ควรจะจริงมันก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์เลยท่านปัญญาอธิบายกมไปก่อน